สวัสดีครับท่านผู้ชฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปราดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข้อคิดของปราดนะครับและชีวิตของท่านตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันโดยวิธีการนําเสนอนั้นนะครับจะใช้พิธีการอ่านเป็นคํำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมทัศพลเปี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดําเนินรายการและนํำรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย9 9 1 2เกครับช่วงนี้ผมนําเสนอ เนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภาคุรุนะครับพาท่านผู้ชมผู้ฟังไปถึงเรื่องของท่านกาบีนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ .1398 นะครับถึง1518นะครับเมื่อเราวที่แล้วนะครับก็พามาถึงจุดที่บอกว่ามนุษยชาติทั้งปวงนะครับเป็นของคุณวิวัฒนาการทั้งปวงของจิตสำนึกแห่งมนุษย์เป็นของคุณแต่คุณช่างตรณีบางคนกลายเป็นฮินดู เขาก็ยิตเอาเพียงมุมเดียวและใช้เชื่ออยู่ในมุมนั้นเป็นง่อยและอัมพาตที่จริงแล้วมุมนั้นแคบมากจึงขยับตัวไม่ได้มันไม่มันไม่กว้างพอมนุษย์ที่เคร่งครัดจะต้องรับเอาทั้งหมดพระพุทธเจ้ามหาวีระพระคริสตซาราทุสตราเล่าจือกรุนานักกาบีทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตสํานึกแห่งมรษยชาติคุณก็รับเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ในตัวด้วย ครับเมื่อตองที่แล้วถึงตรงนี้นะฮะผมว่ามนุษยชาติทั้งปวงเนี่ยเป็นของคุณนะครับวิวัฒนาการทั้งปวงของจิตสํานึกแห่งมนุษย์เนี่ยเป็นของคุณแต่คุณช่างตระณีบางคนกลายเป็นฮินดูก็ยึด เ, เพียงมุมเดียวแล้วใช้ใช้ชีวิตอยู่ในมุมนั้นนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยผมก็คิดว่าประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าจริงๆแล้วหลายๆจะวัตถุศาสนา ก, ก็ก็อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ศาสนาเป็นจํานวนมากศากกสดา ก, ก็สอนให้ สอนให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการรู้แจ้งได้แต่พอมาถึงบรรดาศาสนุสิธิ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยกลับใช้ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของศาสนานะครับยึดเอาศาสนานั้นเป็นของตนแล้วก็ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะอยากจะจะด้วยความหวังดีหรือจะด้วยความไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะครับก็รู้สึกว่าศาสนาของตนนี่แหละต้องยิ่งใหญ่ที่สุดต้องมีคนนับถือมากที่สุดแล้วก็ใช้วิธีการเผยแพร่แบบแบบน่ากเกลียด น, น่าชังก็เยอะแยะมากมาย นี่คือการยึดเอาเพียงมุมเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ในมุมนั้นนะครับอย่างหนักทีเดียวนะนั้นผมยังยังคิดว่าบางครั้งถ้าคนเราอยู่ในศาสนาใดศา ส, สนาหนึ่งซึ่งสามารถเข้าใจจรแท้ได้อย่างแท้จริงและก็มีชีวิตอยู่อย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่พวกที่ว่าอยู่ในอยู่มุมเดียวและอยู่ในมุมนั้นจริงๆเนี่ยก็คือประเภทนี้นะครับในความเห็นของผมเป็นอย่างนั้นนะครับนันเป็นง่อยและอัมพาตนะเพราะว่าอย่างที่ว่าครับเพราะว่าใช้วิธีการสารพัดสารเพยเพื่อจะ ขยายอาณาจักรของศาสนาให้เหมือนกับอาณาจักรนะครับทางแผ่ น, ผนดินอะไรแบบนั้นนะคัมนุษมุมนั้นแคบมากจนคุณขยับตัวไม่ได้นะครับมันไม่กว้างพอมนุษย์ที่เคร่งครัดจะต้องรับเอาทั้งหมดกับพระพุทธเจ้ามหาวีระพระคริสตซาราทุสตาเล่าจือคุลุนานักกาบนะทีท่านโอโชอ่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับก็เป็นนะเป็นศาสดาทั้งหมดนะครับยกเว้นท่านกาบีนะก็ไม่ถึงขนาดเป็นศาสดานะครับทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้านะครับท่านโอโช เป็นส่วนหนึ่งของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตสำนึกแข่งมรุสเซียชาติคุณก็รับเอาเมร็ดพันธุ์ไว้ในตัวด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับกาบีว่าเขาเกิดมาเป็นมุสลิมและก็โตมาอย่างฮินดูและไม่เคยมีข้อสรุปว่าเขาเป็นใครกันแน่แม้เมื่อเขาเสียชีวิตก็ยังมีข้อขัดแย้งกันในหมู่ศิษย์ชาวฮินดูอ้างสิทธิในร่างของเขาชาวมุสลิมก็อ้างสิทธิในร่างของเขามีเรื่องเล่าเปรียบเปลยที่สวยงามเรื่องนี้ กาบีได้ทิ้งข้อความเกี่ยวกับความตายของเขาเอาไว้ เ, าเขารู้ว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นผู้คนนั้นโง่เขลาพวกเขาจะต้องทึกทักในร่างกายและเกิดความขัดแยง้งเขาจึงทิ้งข้อความเอาไว้ว่าถ้าหากมีข้อขัดแย้งใดๆขอเพียงเอาผ้าคลุมร่างของข้าเอาไว้แล้วรอคอยคําตัดสินจะมาถึงเองเรื่องเราว่ามีการห่อร่างเอาไว้ชาวพินดูและมุสลิมเริ่มสวดมนต์และเมื่อมีการเอาผ้าคลุมออกผ้าคลุมร่างออกกาบีก็หายไป เหลือเพียงดอกไม้2อสดอกดอกไม้เหล่านั้นถูกแบ่งไปนะครับประกอบในสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับกาบีว่านะครับว่าท่านกาบีเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมนะเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วก็โตมาอย่างฮินดูนะครับท่านกาบีมีช่วงมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพันสามถึงพันหนะช่วงนั้นก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับดูเหมือนว่าพวกมุสลิมที่มาจากทางด้านอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับเริ่มรุกเข้ามานะเผยเข้ามาเผยแพร่ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลามในอินเดียแล้วนะครับแล้วยุคนั e, ้นเนี kind of ron, and, and Hindu, ่ยนะครับเป็นยุคที่ก็เหมือนกับค่อนข้างจะเหมือนกับอีกหลายแห่งในโลกนะคือมันยังไม่ได้รวมเป็นประเทศในแบบที่วันนี้มันเป็นเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะครับซึ่งแต่ละเมืองก็มีเจ้าของนครเนี่ยดูแลเมืองของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอิสระนะเมืองนั้นเป็นฮินดูเมืองนี้เป็นอิสระอ่าเป็นอิสลามอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากน่าจะยังเป็นฮินดูอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าเขาว่ามุสลิมจากทางอัฟกานิสถานเนี่ยเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามา่่ยแพรึงก็ ทุกอย่างตรงไปตรงมาก็มีทั้งทั้งศรัทธาแลวก็มีทั้งใช้ดาบนะครับันะ้นก็เนี่ยครับเพราะนั้นก็เลยกิดว่าเกิดมาเป็นมุสลิม น, นะแล้วก็โตมาอย่างฮินดูตามเรื่องนะครับที่เล่ามาเนี่ยนะท่านกาบีเนี่ยท่านได้รับการเลี้ยงดูนะครับคือบรรดาบรรด า, าเรียกว่าศาสาก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าคือระดับครูร้ก็แล้วกันนะครับศาสาจะมากไปบรรดาครรู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเป็นที่ศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ย สิ่งนึ่ที่จะต้องมักจะแทรกเข้ามาเสมอก็คือผมจะไม่ได้จะพูดไปยังไงมันอาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างนะฮะแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยจริงหรอกนะครับมันเป็นผมคิดว่าเป็นลูกศิษย์ที่อยากจะให้อาจารย์ของตัวเองดังนะครับประมาณนั้นนะฮะก็จะต้องให้อาจารย์ของตัวเองเนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์บรรณานะครับต้องมีอิทธิฤทธิ์มีความมีอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งให้เหมือนกับเหนือมนุษย์ธรรมดาก็นแน่นอนครับอย่างที่ว่าครับจะได้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะจะได้มีนะครับบรรดาสาวกเยอะๆ เพราะฉะน้นเรื่องเล่อของท่านกาบีก็คล้ายๆกันนะท่านกาบีมีประวัติส่วนหนึ่งเล่าเหมือนกับว่ามารดาของท่านเนี่ยนะครับเป็นหญิงไมนะ้หญิงไม้นะครับหญิงไม้จะให้กาเนิดบุตรได้อย่างไรนะแล้วหญิงไม้เนี่ยไ ป, ปผมจาไม่ได้ว่าไปพบกับท่านอะไรแล้วท่านให้พรมาว่าขอให้มีบุตรเพราะท่านไม่ทราบว่าเป็นหญิงไม้นะครับเราก็เลยทำให้นะทำให้ท่านกาบีเนี่ยนะครับก็คลอดมาจริงๆคลอดมาแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับหญิงที่ไม่มีสามีคลอดลูก ก็อับายนะก็ต้องทิ้งลูกไว้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ยังไงครับลูกที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าท่านกา บ, บีเนี่ยถูกเลี้ยงมาโดยโดยชาวพินดูซึ่งเป็นชาวพินดูซึ่งก็เป็นเพียงแค่ใช้คําว่าเป็นแค่ก็อาจจะไม่เคยด้เท่าไหร่เอาเป็นว่าเป็นช่างนะครับเป็นช่างทอผ้านะเป็นช่างทอผ้าที่ยากจนนะครับแล้วก็ท่านกา บ, บีก็ถูกเลี้ยงมาในในรูปแบบ น, นั้นคือเป็นนะเป็ น, เ ป, นเป็นช่างทอผ้านะครับถูกเลี้ยงมาโดยช่างทอผ้าแล้วก็มีอาชีพ ที่รู้จักเพียงอาชีพเดียวก็คือการเป็นอาชีพช่างถอผ้านะก็เกิดมานะครับบอกว่าไม่เคยมีข้อสรุปว่าเขาเป็นใครของเป็นเป็นใครกันแน่นะครับแม้เมื่อเขาเสียชีวิตก็ยังมีข้อขัดแย้งในมูสิตนะัท่านกาบีเนี่ยอยัญชุบาครับท่านเกิดในแผ่นดินที่มีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่ว่าเกิดในน่าจะเกิดในดินแดนมุสลิมแต่คนที่เลี้ยงดูขึ้นมาเป็นฮินดูแล้วคาสอนของท่านเนี่ยก็ถือว่า เป็นบุคคลแรกๆนะครับที่พยายามที่จะสอนให้ศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลามเนี่ยกลมกลืนเข้ากันได้ศาสนาฮินดูนะเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนะครับสา0สี 3, 4, ปีก่อนก่อนคริสต์กาลด้วยนะฮจนศาสนาอิสลามไปเกิดมาประมาณคาริสต์กาลประมาณสักหกรกว่านะแต่ว่าท่านก็มีได้รับการรับได้การรับรู้ว่าเป็นท่านแรกนะครับที่พยายามที่จะสอนให้ชาวมุสลิมและชาวฮินดูนะครับ เป็นหนึ่งเดียวกันได้คือคําสอนของท่านเนี่ยไม่ทําให้เกิดการทะเลาะเบกแหวงไม่ทำให้เกิดการต้องแบ่งแยกกันแต่แน่นอนนะครับฮินดูและมุสลิมจํานวนไม่น้อยก็เกลียดท่านนะครับเพราะว่าคําสอนของท่านเนี่ยนะอย่างที่ว่าครับหลายหลายอย่างท่านก็ไปดิเซตเอาดืด้อหลายสิ่งหลายอย่างที่บรรดาศาสนาทั้งหลายสอนไว้บางทีก็อย่างที่ว่าครับตรงกับศาสดาหรือไม่ตรงกับศาสดาทุกคนก็อ้างว่าตรงกับศาสนาทั้งนั้นนะแล้วมาถึงยุคนี้นะครับพอศตวรรษที่สิบสี่แล้วเนี่ยครับสิบห้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องพ ท่านกะบีท่านก็ย้อนให้เขาแ่บถ้าสอนอย่างนั้นนะครับจะอธิบายอย่างนั้นได้บ้าอย่างไงแล้วบางทีมันไม่มีคําตอบนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแน่นอนที่ทําให้บรรดาทั้งสองศาสนานะครับพวกลทัทธิเก่าๆหรือศา ส, สนาที่เขาสอนแบบเก่าๆ เ, เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ชอบนะท่านกาบีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมและฮินดูก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่เป็นทั้งมุสลิมและฮินดูนะีที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับถึงอย่า ง, งนั้นก็ท่ากะบีบอกว่าแม้เมื่อเขาเสียชีวิตก็ยังมีข้อขัดแย้งกันในมสหมู่ศิว่า อาจารย์จะสอนไว้แล้วนะครับในเรื่องของความไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ขัดแย้งกันในมุสีนก็ยังมีอยู่ชาวฮินดูอ้างสิทธิในร่างของเขาชาวมุสิมก็อ้างสิทธิในร่างของเขานะครับมีแต่ร่างนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะต่างคนก็ต่างอ้างจะเอาร่างนั้นไปมีเรื่องเล่าเปรียบเปลือยที่สวยงามเรื่องนี้ท่านขอใช้คำว่าเรื่องเล่าที่เปรียบเปรยนะครับแสดงว่ามันไม่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องเล่าเป็นเป็นตำนานนะฮะกาบีได้ทิ้งข้อความเกี่ยวกับความตายของเขาเอาไว้ เขารู้ว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นผู้คนนั้นโง่เขาพวกเขาจะต้องทึกทักในร่างกายและจะเกิดความขัดแย้งนะครับนี่คือสิ่งที่นะแม้แต่คุูรู้เองก็รู้ครับว่าลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยนะยังไม่มีปัญญามากพอนะครับเพราะนั้นก็รู้ว่าจะต้องเกิดการขัดแย้งกันเพราะว่าขนาดลูกศิษย์สำนักเดียวกันนะครับศาสนาเดียวกันนะก็ยังเกิดความขัดแย้งได้เยอะแยะแล้วนี่จริงๆแล้วนับถือกันคนละศาสนานะครับนั่นก็สิ่งที่คิดว่าจะต้องเกิดมาก็คือนะครับว่าผู้คนนั้นโง่เขาจะต้องทึกทักในร่าางกย แล้วจะเกิดความขัดแย้งนะครับท่านกาเ บ, บรียลจึงทิ้งข้อความมาไว้ว่าถ้าหากมีข้อขัดแย้งใดๆขอเพียงเอาผ้าคลุมร่างของข้าเอาไว้แล้วรอคอยคาตัดสินจะมาถึงเองนะเรื่องเล่าเปรียบเปลือยนะครับจะดื่มนะบอกว่าถ้ามีข้อขัดแย้งใดๆก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะแย่งศพกันนะครับขอเพียงเอาผ้าคลุมร่างของข้าเอาไว้แล้วรอคอยไม่ต้องทําอะไรนะครับคำตัดสินจะมาถึงเองเรื่องเล่าว่ามีการห่อร่างเอาไว้ชาวฮินดูและมุสลิมเริ่มสวดมนต์ และเมื่อมีการเอาผ้าคลุมร่างออกเนี่ยนะครับกาบีก็หายไปนะเอาผ้าคลุมแล้วก็เล่นมายากลเลยนะครับเอาผ้าคลุมไว้ร่างไว้นะพอเอาผ้าออกปุ๊ บ, บเหลือเพียงดอกไม้สองสดอกดอกไม้เหล่านั้นถูกแบ่งไปนะครับมุสลิมก็เอาไปทนพิธีแบบมุสลิมฮินดูก็เอาไปทําพิธีแบบฮินดูนะครับเรื่องเล่านี้สวยงามข้าพเจ้าเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าเปลือยเปลยข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแต่มันแสดงถึงบางสิ่งคนอย่างกาบีได้หายไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ในร่างของเขา เขาปริบาลอยู่ภายในอยู่ภายใ น, ยยในคุณอยู่ในร่างของตัวเองเพียงกับนะเพียงกับบางบริบทเท่านั้นร่างกายมีหน้าที่ที่จะต้องทําบางอย่างหน้าที่นั้นก็คือให้จิตสำนึกได้ปริบาลเมื่อจิตสำนึกได้ปริบาลแล้วร่างกายก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปไม่สําคัญว่ายังมีร่างกายอยู่หรือไม่ไม่สัมพันธ์กันอีกแล้วนะครับเพราว่าเรื่องเล่านี้สวยงามนะท่านโกช่วบอกว่าเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่เปรียบเปล่านะท่านบอกว่าท่านไม่ได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเกิดขึ้นจริงแต่มันแสดงถึงบางสิ่ง ก็คนะือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมทิฏฐาเนี่ยนะครับคนอย่างกาบีได้หายไปแล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่ในร่างของเขานะครับตายแล้วนะครับเขาผีบาลอยู่ภายใ น, น ค, คุณอยู่ในร่างของตั ว, ตวเองเพียงกับบางบริบทเท่านั้นนนี<ม>่หมายถึงเราทุกคนนะครับอยู่ในร่างของตัวเนี่ยเพียงบางบริบทเท่านั้นนะครับไม่ใช่อยู่ตลอดไปนะร่างกายมีหน้าที่ที่ต้องทําบางอย่างนะครับซึ่งผู้ศึกษาทั้งหลายก็จะเข้าใจเลยครับว่าร่างกายนี้มีหน้าที่ที่จะต้องทําบางอย่างและเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดก็คือหน้าที่นั้นก็คือให้ จิตสำนึกได้ผีบานนะครับว่าจริงๆแล้วในบรรดาศาสนาทั้งหลายก็สอนเรื่องนี้มากที่สุดนะไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเลยนะครับสำคัญที่สุดนะก็คือให้จิตสํานึกได้ผีบานเมื่อจิตสํานึกได้ผีบานแล้วร่างกายก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปนะร่างกายนะครับคือจิตสำนึกจะผีบานได้เนี่ยมันต้องอาศัยร่างกายครับไม่มีร่างกายมันก็ผีบานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผีบานแล้วร่างกายก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปไม่สําคัญว่านะครับยังมีร่างกายอยู่หรือไม่เพราะมันไม่ได้ใช้อีกต่อไปครับไม่สัมพันธ์กันอีกแล้วเเเเรรรื่องงงลาาปียบนนั้ดม เมื่อพวกเขาเอาผ้าคลุมออกมีเหลืออยู่เพียงดอกไม้สองสาดอกนะกาบีคือดอกไม้ที่ผลีบานมีเพียงดอกไม้สองสาดอกเหลืออยู่และสิทธิ์ที่โง่เขาก็ยังไม่เข้าใจพวกเขาเอาดอกไม้มาแบ่งกันนะครับบอกว่าเรื่องเล่าเปรียบเปลนั้นงดงามนะเมื่อพวกเขาเอาผ้าคลุมออกมีเหลืออยู่เพียงดอกไม้สองสามดอกกาบีคือดอกไม้ที่ผลีบานนะมันก็เป็นเป็ น, เ, ปนเหมือนกับว่าเป็น อย่างที่ว่าครับทำให้มันเป็นคำํำอธิบายที่ทําให้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะมีเพียงดอกไม้สองสาดอกเหลืออยู่นะครับสิทธิที่โง่เขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ยังคงจะเอาดอกไม้มาแบ่งกันนะครับจงจำไว้อย่างหนึ่งอุดมการณ์ทั้งหลายล้วนอันตรายมันแบ่งแยกผู้คนคุณกลายเป็นฮินดูกลายเป็นมุสลิมกลายเป็นเชนกลายเป็นคริสเตียนคุณถูกแบ่งแยกทุกอุดมการณ์ล้วนสร้างความขัดแยง้งทุกอุดมการณ์ล้วนรุนแรง คนที่เข้าใจอย่างแท้จริงไม่มีอุรมการเขาจึงไม่อาจแบ่งแยกเขาจึงเป็นหนึ่งกับมนุษยชาติทั้งหมดไม่เพียงนั้นเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทั้งปวงคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงกําลังผลิดบานและเราจะคุยกันถึงการผลิดบานนี้นะครับย้อน้านี้ก็มีนัยยะสําคัญนะซึ่งอาจจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เราได้ฟังมามากทีเดียวนะครับเราได้ยินมาจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะกับบางหมู่บางกลุ่มบางพวกนะครับเราจะเน้นเรื่องอุรมการณ์ แต่ทีนี้ท่านก็จะบอกว่านะครับว่าจงจําไว้อย่างหนึ่งนะใช้คําว่าจงจำนะครับปกติท่านเอช่วงไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเน้นไปทุกอย่างนะครับท่านก็จะเน้นเฉพาะบางช่วงที่ท่านคิดว่าน่าจะน่าจะทําให้ให้ใช้สติเป็นพิเศษหรือสำเนึกสําเน็จเป็นพิเศษนะครับบอกว่าอุดมการทั้งหลายล้วนอันตรายนะมันแบ่งแยกผู้คนนะครับอุดมการณ์มันคือความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งตัวเองเห็นว่าต้องอย่างนี้นะต้องสิ่งนี้เท่านั้นสิ่งอื่นเปล่านะครับมันแบ่งแยกผู้คนนะคุณกลายเป็นฮินดู กลายเป็นมุสลิมนะครับกลายเป็นเชนกลายเป็นคริสเตียนนะครับนี่คือพูดถึงเฉพาะบรรดาศาสนาทั้งหลายยังไม่ได้พูดถึงว่าลัทธินะครับคอมมิวนิสต์ทุนนิยมอะไรเท่าไหร่แอันั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะอันนั้นผู้เหล่าน ok ั้นเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่มีนี่ขนาดมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นมีศาสนาพระองค์เดียวกันนะครับยังรบกันนะมุสลิมกับคริสเตียนรบกันเจ0ดปีมุสลิมกับมุสลิมก็รบกันไม่รู้เท่าไหร่ตเท่าไหร่คริสเตียนกับคริสเตียนก็รบกันไม่รู้เท่าไ เรื่องของอุดมการทั้งนั้นนะคุณถูกแบ่งแยกทุกอุดมการล้วนสร้างความขัดแยง้งทุกอุดมการล้วนรุนแรงนะครับคำสอนอย่างนี้ก็มีอยู่มากนะครับมากมากจริงๆกับท่านกฤษณะมูลิตินะคือพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับ ว, ว่าว่ามันระะมัดระวังอย่างยิ่งมันเป็นฟั ง, ฟ, งฟังที่คำที่ฟังดูแล้วดีงามสวยหรูนะครับแต่มันทำให้เกิดการแบ่ง แ, งแยกมากจริงๆนะคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงไม่มีอุดมการ เขาจึงไม่อาจแบ่งแยกเขาจะเป็นหนึ่งกับมนุษยชาติมนุษยชาติทั้งหมดไม่เพียงนั้นเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทั้งปวงคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงกําลังผลิบานและเราจะคุยกันถึงการผลิบานนี้บทเพลงของกาบีนั้นงดงามอย่างยิ่งเขาเป็นกาบีเขาไม่ใช่นักปรัชญาเขาไม่ได้สร้างระบบอะไรขึ้นมาเขาไม่ใช่นักทฤษฎีหรือนักเทวะวิทยาเขาไม่สนใจในหลักการในคำภีรความสนใจทั้งหลายทั้งหมดของเขาก็คือ จะเบ่งบานได้อย่างไรจะเป็นเทพเจ้าอย่างไรความพยายามทั้งหมดของเขาก็คือจะทําอย่างไรให้คุณรักมากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นนะครับบทเพลงของกาบีนั้นงดงามอย่างยิ่งนะเขาเป็นกวีนะครับกวีโดยทั่วไปก็หมายถึงผู้ที่เปล่งวาจาออกมานะครับจากความความรู้สึกหรือความเข้าใจอะไรบางอย่างนะไม่ใช่นักปรัชญานักปรัชญาเปล่งสิเ น, นออกมาจากความคิดนะครับจากความคิดจากการพิจารณาอะไรก็แล้วแต่นะเขาไม่ได้สร้างระบบอะไรขึ้นมานะครับ เขาไม่ใช่นักทฤษฎีหรือนักเทววิทยานักทฤษฎีก็อย่างที่ว่าครับเขีย น, นเรื่องความรู้ต่างๆเป็นทฤษฎีไว้นะครับนักเทววิทยาอันนี้คือผู้ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับซึ่งก็แน่นอนก็มีอยู่ในบรรดาศาสนาที่เขามีพระเจ้านะก็ต้องเป็นนักเทววิทยาเขาไม่สนใจในหลักการในคมภีร์ความสนใจทั้งหมดนะของเขาก็คือนะครับจะแบ่งบานอย่างไรนะครับ ในส Shift, าลานิกรมว่าด้วยเรื่องศาสนานะครับว่าด้วยเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องจริยธรรมเนี่ยนะมีเรื่องของท่านกาบีไว้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วในนั้นตอนหนึน่งเฉียนว่าคัมภีนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าอย่าให้ความสําคัญกับมันจนเกินไปนะครับ kind of ready, ความสนใจทั้งหมดของท่านกาบีคือจะเบ่งบาลอย่างไรนะจะเบ่งบานอย่างไรจะเป็นเทพเจ้าได้อย่างไรคําว่าเบ่งบาลอย่างไรเทพเจ้าได้อย่างไร นะครับก็คือชีวิตที่มันเข้าถึงสภาวะของการรู้แจ้งรู้จริงเป็นเทพเจ้านะครับในคว่าเทพเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงก็ถึงพระเจ้านะเป็นก๊อนะครับซึ่งเป็นความหมายในแง่เดียวกันของการเปงบานนั่นเองความพยายามทั้งหมดของเขาก็คือจะทําอย่างไรให้คุณรักมากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นนะครับนี่คือความทั้งหมดความพยายามทั้งหมดของท่านกาบีนี่ไม่ใช่คาถามเรื่องการเรียนรู้ให้มากตรงกันข้ามมันคือคําถามของการไม่เรียนรู้ให้มากด้วยวิธีนี้เขาจะเป็นคนที่หาได้ยาก พระพุทธเจ้ามหาวีระพระกิจณะพระรามล้วนแล้วแต่เป็นคนพิเศษทั้งหมดหล้วนเป็นกษัตริย์ได้รับการศึกษาอย่างดีบม่มเพาะมาอย่างดีกาบีไม่ใช่คนสําคัญเป็นหนึ่งในมหาชนยากจนมากสามัญมากไม่มีการศึกษาเลยไม่มีวัฒนธรรมเลยและนี่ก็คือความหายากของเขาทําไมข้าพเจ้าจึงเรียกว่าเป็นความหายากเพราะการเป็นคนสามัญในโลกคือสิ่งที่ไม่สามัญที่สุด เขาสามัญมากและรักษาความสามัญไว้นะครับบอกว่านี่ไม่ใช่คาถามเรื่องการเรียนรู้ให้มากนะไม่ได้แปลว่าจะต้องจบอะไรมากมายกกายกองนะครับจบศาสนาปริญญาเอกมานะรหรือว่านะครับเรียนรู้อะไรไว้เต็มหัวหมดเลยนะครับแต่ท่านบอกว่าต้องการข้ามมันคือคำถามของการไม่เรียนรู้ให้มากนะครับไม่เรียนรู้ให้มากนะด้วยวิธีนี้เขาจึงเป็นคนที่หาได้ยากนะพระพุทธเจ้ามหาวีระ ภกิษณะพระรามล้วนแล้วแต่เป็นคนพิเศษทั้งหมดล้วนเป็นกษัตริย์นะครับซึ่งอย่างที่ว่าเขาบอกพระพุทธเจ้ามหาวีราชเนี่ยนะครับเป็นมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงแต่พระกิสณะกับพระรามนี่ผมนะครับพระรามนี่ไม่น่าจะไม่ใช่นะครับพภกิสนี่ผมฟังท่านโอโชเขีนถึงหลายพูดถึงหลายครั้งนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าก่อนสมัยพุทธกาลไปอีกเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบอกว่าแต่ที่แน่แน่คือทั้งหมดเนี่ยนะครับได้รับการรับรู้ว นะได้รับการศึกษาอย่างดีอย่างที่เราได้ไดยินนะครับ18สาขาวิชาที่เพิ่มตรงนะที่เจ้าชายสิทธัตจบมานะครับและวิชาสุดท้ายในะวิชา18ก็คือวิชาว่าด้วยเรื่องโครงฉันกาบกรทั้งหลายนะครับการใช้ภาษาแบบเพจนั้นนะบ่มเพาะมายอย่างดีนะครับกาบีไม่ใช่คนสําคัญนะเป็นหนึ่งในมหาชนนะครับมวลมหาชนทั้งหลายนะฮะยากจนมากด้วยนะครับคนธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังพอได้รับการเคารพหรือได้รับการยอมรับมากนะครับแต่นี่ยากจนมากด้วยนะสามันมาก ไม่มีการศึกษาเลยนะครับดูเหมือนจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยซ้ํานะครับไม่มีวัฒนธรรมนะก็คือไม่ได้เติบโตมาอย่างผู้ดีอะไรประมาณนั้นนะฮะและนี่ก็คือความหายากของเขาทําไมข้าเจ้าจึงเรียกว่าเป็นความหายากเพราะการเป็นคนสามัญในโลกคือสิ่งที่ไม่สามัญที่สุดนะนี่เป็นภาษาที่ซ้อนกันสักหน่อยนะครับบอกว่าการเป็นคนสามัญในโลกเนี่ยคือสิ่งที่ไม่สามัญที่สุดนะเขาสามัญมากและรักษาความสามัญไว้นะครับ คำถามของการของการไม่เรียนรู้ให้มากเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าการเรียนรู้ไม่ดีนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการยึดติดในการเรียนรู้หรือมีการถือตัวจากการเรียนรู้มากนะครับความพัฒนาต่างธรรมชาติของมนุษย์คือการเป็นคนพิเศษพิเศษตามวิธีของโลกมีปริญญามากมายมีอํานาจทางการเมืองมีเงินร่ํารวยเพื่อจะเป็นคนพิเศษจิตต้องพร้อมเสมอที่จะออกเดินไปบนสะเส้นทางสายอีโก้ ถ้าคุณเบื่อโลกอีโก้ก็จะหาทางใหม่และพิธีใหม่ที่จะเพิ่มพลังของตัวมันเองคราวนี้จะกลายเป็นเรื่องจิตวิญญาณคุณจะกลายเป็นมหาธรมะที่ยิ่งใหญ่เป็นสินแสเป็นนักคิดเป็นผู้รู้เป็นอภิเนศกรมแต่เป็นแต่ก็เป็นคนพิเศษอยู่ดีนะครับเพราะความพัฒนาตามธรรมชาติของมนุษย์คือการเป็นคนพิเศษการเป็นคนพิเศษที่รู้กันนะครับไม่ต้องไปดูที่ไหนฮะดูตัวเราเองก็พอนะครับคือ ก็จะเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับก็ปบาร์สนาที่บ่านะครับจะต้องเป็นอะไรที่มันเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่คนที่มองเผินนะใครจะอะไรมองผ่านไปได้นะครับต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างนะพิเศษตามวิถีของโลกมีปริญญามากมายนะครับถ้ายังจับอะไรไม่ได้ก็ขอจบหลายๆปริญญาไว้ก่อนนะครับมีอานาจทางการเมืองนะถ้าสามารถนะครับมีเงินนะร่ารวยเพื่ออะไรเพื่อส่วนหนึ่งก็เป็นคนพิเศษนะจิตต้องเตรียมพร้อมที่เสมอที่จะออกเดินทางบนเส้นทางสายอีโก้ ถ้าคุณเบื่อโลกอีกโก้ก็จะหาทางใหม่และวิธีใหม่ที่จะเพิ่มพลังตัวของตัวมันเองคราวนี้นะครับก็จะกลายเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะคุณจะกลายเป็นมหาธรรมะที่ยิ่งใหญ่นะครับคำ ว, ว่ามหาธ ร, รมะเนี่ยนะครับเป็นคําที่เราอาจจะได้ยินนะคนไทยอาจจะได้ยินแค่มหาธ ร, รมะคานทีแต่จริงๆในอินเดียเนี่ยมีมหาธรรมะอยู่มากมากกว่านั้นนะครับมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามากพอสมควรนะเพราะเป็นคําที่ยกย่องนะครับให้เกียรติคนเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นชื่อของใครคนใด ค, คนหนึ่ง แล้วก็อย่างที่ว่าครับผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคํากล่าวนี้เพราะถ้าไม่ใช่อย่างที่ว่านะครับว่าบางคนนะครับอาจจะเบื่อโลกแล้วไปหาวิธีใหม่ในทางจิตวิญญาณนะมันก็คงจะไม่ทําให้าศาสนาเกิดการแตแกแยกเกิดการต่างๆมากมายเพราะก็ไม่ใช่คนแบบนี้แหละครับที่เข้าไปในวงการาศาสนานะศาสนาอื่นอาจจะมีอะไรมากผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเขาอาจจะไม่มีคนที่เขียนประวัติศาสตร์อะไรไว้มากมาย Jae. แต่ในาศาสนาคริสต์นี่ต้องขออภยัยเพราะว่ า, าศาสนาเพราะว่ า, าศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับคือพวกยุโรปพวกต่างๆเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ เป็นนักวิชาการในยุคในยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นพี่เขียนอะไรต่างๆเขียนพระวจนะเลว่ามากมากม า, กมายแน่นอนทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะแม้นสแตบบปาหลายองค์มากเลยนะครับซึ่งทําตัวแสวงหาอำนาจเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เผยแพร่ศาสนาตามพระเยซูคริสต์เลยนะทำตัวเพียงเพื่อให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่หรือตัวเองเป็นนะครับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะบางคนเนี่ยนะครับสแตบบลาบางคนเนี่ย ไตรเกาะขีม้าออกครบเองนะเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับนเพราะนี่ครับคือที่ว่าลนะ้พอไปเรื่องจิตวิญญาณก็ทำแบบเดียวแบบแบบเดิมคือทํางานตามอีโก้ของตัวเองนะเป็นสินแสเป็นนักคิดเป็นผู้รู้เป็นอภิเนศกรมนะครับซึ่งในที่นี้นะอาจารย์ตัวมอญใช้ขย า, า, ายความว่าผู้ออกบวชเพื่อผลนั้นยิ่งใหญ่นะครับแตนะ่ก็เป็นคนพิเศษอยู่ดีถ้าประสะาทความต้องการจะสาบศูนย์ไปนะเป็นพิเศษคุณจะไม่มีวันพิเศษไปได้ ถ้าคุณไม่ผ่อนพักอยู่ในความสามัญคุณก็จะไม่มีวันได้ผ่อนพักนะครับเสนอช่วยอธิบายไป อ, อีกความเข้าใจหนึ่งนะรับอกว่าถ้าปราศจากความต้องการจะสาบศูนย์ไปเป็นพิเศษนะก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าเป็นสภาวะศูนยตานะครับถ้าปราศจากความต้องการจะสาบสูนย์ไปเป็นพิเศษเนี่ยคุณจะไม่มีวันพิเศษไปได้นะมันจะพิเศษไปทางโลกเราจะพยายามพิเศษไปทางธรรมก็แล้วแต่ก็ไม่มีวันพิเศษได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พิเศษทั้งสองทางแบบที่ว่า ถ้าหากคุณไม่ผ่อนพักอยู่ในความสามัญนะคุณก็จะไม่มีวันได้ผ่อนพักนักจิตวิญญาณที่แท้จริงคือคนที่ธรรมดาสามัญอย่างยิ่งกาบีนั้นธรรมดามากคุณจะไม่มีวันแยกแยะเขาออกจากฝูงชนความพิเศษของเขาไม่แสดงออกคุณไม่อาจจะจําเขาได้ด้วยการมองหน้าเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้านั้นพิเศษเป็นบุตรผู้งดงามเบียนบุคลิกบารมีพระเยซูก็พิเศษมากเปรียมด้วยพลังปฏิวัติขบฏแต่กาบีละ่ะ กาธรรมดามากเขาเป็นคนธรรมดาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับบางคนที่อ่านท่านโชัวไม่มากนักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าท่านโชัวพูดอะไรกลับไปกลับมามันก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นจริงๆนะครับเวลาท่านอภิรได้ถึงอธิบายถึงท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยท่านกฤษภยาเอาท่านเดินๆนีมาทําให้เกิดความเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างซึ่งบางทีมันก็ฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าทีตอนนั้นพูดอย่างนี้ทีตอนนี้มาพูดอย่างนี้อะไรเนี่ยบางทีผมคิดว่ามันเป็นเพีแ่กุศลบายของท่านในการอธิบายสักหนึ่งนะครับนั ครับก็บอกว่านี่ครับบอกว่านักจิตวิทยาที่แท้ จ, จริงคือคนธรรมดาสามัญอย่างยิ่งนะต้องต่อข่าวหน้าครับตอนนี้ผมกําลังนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภากคุรุนะครับธนโชธผู้นำทางจิตวิญญาณชาวเอียิปต์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้บรรยายคุณตัวมรสุขปรีชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงครับตอนนี้กําลังนําเรื่องราวชีวิตของท่านกาบีอยู่ครับครับก็วันนี้พอสมควรกัเวลาครับช่วยกันแปลขยะเป็นบุญ สนับสนุนบุญนิยมทีวีครับขอบพระคุณครับเจริญทรรครับ